بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا ومن إسلام دين ومن محمد رسولا بسم الله اللذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمين عليم ب سم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ب ا ل ش ح ر ي صدري و ي س ر أملي وحل أقدا من لساني يفقه ق و ل ي اللهم إننا نسألك عيننا ف ي ا و ر ز ق ا طيبا وعمل ا متقبلا مت يا رب العالمين ا ل l a h u m m a fakihu fi din walihu ta'win Allahumma innana nas aluka ridhauka wan jannah wanau zubika min sakati kawanar bi rahmatika ya arhamar rahimin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจาก Allah s u ประสบแดพี่น้องที่มาร่วม รับฟังมารมาร่วมเรียนกุรอ่านทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละดีใจนะครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์นะกี่บอกคิดถึงฉันก็รู้สึกอะไรมันแปลกๆกไปนะแค่สัปดาห์เดียวนี้ก็คนที่เคยเรียนกุรอ่านก็นึกถึงละวนะครับนะวันนี้ก็กลับมาประจำการกันเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งลืมกันนะพี่น้องนะ เราอยู่ในช่วงท้ายของส ah ุร้อนนิซาอีก10อายะวันนี้ชลัลลอห์จบสุรอนเลยเดี๋ยวค่อยขึ้นสูระอนใหม่นะสุรอนต่อไปอันมาอิดะนะครับสุร ah ้อนนิซานะครับยุสที่6สุรอนที่สลำดับที่สนะ่ยุสที่6แล้วนะครับเราจะเริ่มอ่านกันในอายะที่166 ล ك กน ah, nah ah nah, ah, ah, um, ah, ินล ي หุยษฮะดูบิมาอัลอลนะในอายะที่หนึ่งร้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากฟัติฮาก่อนเอาุบิเลหิมินอัลเชยตานอัลราจิมบิสมิลลาฮิรลอฮ์มานิัลราฮีม الحمد لله رب العالمين لل الع الرحمن الرحيم الر ملك الر ال يوم الدين อียังกะนับุดัวอียังกะนัสตัยอิห์ดีนัสซิรอตุลมุสตักยิมซิรอตุลลาฎีนาอันงามต์ عليهم غير ال ال ا ل م و ب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه يشهدون و ا ل م ل ا ئ ك ุย ش ه د, ة ش ه د و ن وكفى بالله شهيدا ิชาฮิดะอินนัลลาดีนคาฟารูวะศั دعاء سبيل الله ข الل ال ้าเด่ดลดลบาดา الَّذِينَ كَفَرُوا ทั้ง ل ู้ที่กบฏและผู้ที่กบฏ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا อิลล์ตรีกาจัฮันน์มะขัลลิดีน่าฟีฮาอَบัดะอิลล์ตรีกาจัฮันน์มะขัลลิดีน่าฟีَาَาบัดะว่ากَนَั้นَดร์ลิค์อาซร ยาอิยูฮันนัสَัดเจอะคุม س ร و ل ُ بِالْحَقِّ م ِมْรَ ب บّ ك ُ م ْ فآمينو خيرا لكم و إن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض ว่า كان الله عليما حكما มาดูความหมายนะครับความหมายตั้งแต่อายะที่166นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้ใช้คำตั้งแต่อายะที่163 อ่าร้อสามเนี่ยก็คืออูเอาไฮนานะแล้วก็หนึ่งร้อหกสิบสี่นะครับแล้วก็หนึ่ง้อยบห้าคำว่าเอาไฮนาแปลว่าเราได้มีวาฮีวาฮูภาษาไทยเขาเรียกวิวรนนะคือเป็นคําสั่งเป็นคําสั่งใช้ที่มาจากอ AH, ัลลอฮ์เป็นคําสั่งเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ ท่านนาบีมูฮัมมัสดาาสุลลัลฮวาลาอิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เอ า, เอาหลักทำคําสอนโดยการคิดเองนะนึกออกไหมไม่ใช่ว่าท่านนาบีไปนั่งคิดอยู่ในห้องโอ้แบบนี้ดีเอาแบบนี้ดีแบบนั้นดีไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเป็นกุรอานก็ดีหรือแม้กระทั่งคําพูดของท่านนาบีเองเนี่ยล้วนเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮฺานะฮุวาตาละทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อมาจากอัลลอฮฺเนี่ยจึงไม่มี ความผิดพลาดเกิดขึ้นนะอะไรที่เป็นคําสั่งของอลออะไรที่เป็นคําสั่งของท่านนาบีไม่มีคําว่าผิดแต่แน่นอนถ้าเป็นคําสั่งของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีผิดแล้วก็อาจจะมีถูกเพราะสติปัญญาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะแต่ถ้าเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์กุรรานก็ดีหรือจะเป็นหะดิษทิซฮิยาฮะดิษทิฮัสซันถือว่าไม่มีคําว่าผิดอย่างแน่นอนนะ ขณะนี้เหตุที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาเลใช้คําว่าแท้จริงเราได้มีวาฮีแก่เจ้าเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวายไลฮิวซัลลัมนะถ้าเราไม่ยอมรับการเป็นนบีเนี่ยก็ถือว่าเราก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้ามีคนที่ไม่ยอมรับการเป็นนบีนะอัลลอฮ์ Allah จึงบอกว่าเลกีนิลเลหุยชฮะดูบีมาอันซาลาอิเลิกแต่ถ้าว่า แลกกินตรงนี้แปลว่าแต่ถ้าว่าอัลลอ์นั้นทรงยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่เจ้าว่าว่าอะไรพระองค์ได้ประทานสิ่งนั้นลงมาด้วยความรู้ของพระองค์อันซาเลหูบีอ้นมีเป็นความรู้ที่อัลลอ์ประทานให้อ่าดังนั้นความรู้ของอัลลอฮ์แน่นอนว่าได้ล้อม นะได้อบล้อมไว้หมดแล้วดังนั้นสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกบางเรื่องนะเช่นในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของอินมุนเยบเรื่องของสิ่งลี้รับเนี่ยเราก็หยุดไม่ต้องไปสแสวงหาเพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปแห่ไปสแสวงหาความรู้จากที่ไหนก็ใ ห, ใ ห, ให้ให้หยุดไว้แค่นั้นแหละเพราะเราไม่มีเราไม่มีแหล่งที่มาจากความรู้แล้วเพราะอันนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยออัลลอฮ์บอกแค่ไหนเราก็แค่นั้น นะแค่รับรู้ไว้ว่ามันม ah ีส pues ่วนจะเป็นยังไงไกฟียะอย่างไงเนี่ยเรามอบหมายต่อลอครายละเอียดวัลมาลาอิกาตุยาชาดุลแม้กระทั่งมาริการเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้นะอัลลอฮ์ก็ประทานความรู้ให้และสิ่งที่มาริการนามาบอกก็รู้จากที่อัลลอฮ์บอกได้แหละนะไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์บอกมาริการให้มาริการจิบบรีนมาบอกนบีมาริจิบรีนรู้อยู่แล้วไม่ใช่ยิบบรี้ยิบบรีนก็ไม่รู้ ก็รับถ่ายทอดมาอีกทีนึง่งนะเหมือนเราเนี่ยรับสารมาเนี่ยพอเราถือสารบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยไอ้ที่ถือมาเนี่ยมีข้อมความอยังไงเอา้าเอาไปบอกนะถ้าเราอ่านก่อนเราก็รู้รู้ก่อนแต่ณนะที่ต้นที่มาเนี่ยก่อนที่เขาจะยื่นสารมาเนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่สารเขียนอะไรมาริการ์ก็ไม่รู้นั้นมาริการ์จึงเป็นพยานด้วยเรื่องของความรู้ของอัลลอฮ์ว่กาฟาบินละฮิชาฮีดาอัลลอฮ์ปิดท้ายบอกว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยัน พี่น้องรู้ไหมว่าเวลานาบีสอนศาสนาโดยเฉพาะช่วงท้ายของท่านอบีที่ท่านจะจา ก, กว่าฝาดไปแล้วเนี่ยท่านจะบอกว่าอัลลอฮุมะชัดให้อัลลอฮ์เป็นพยานให้แก่ฉันด้วยว่าแท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยได้ทําหน้าที่สอนพวกเจ้าอย่างเต็มที่แล้วนบีกลัวเหลือเกินว่าวันที่อัลลอฮ์เรียกกลับไปว่าอัลลอฮ์จะถามว่าได้สอนเขาไหมได้บอกเขาไหม จึงทุกครั้งที่นบีพูดในปาใสในฮั จ, จุตุนวาดานนาบีบอกอัลลอฮุมะชัดอัลลอฮ์เป็นพยายนให้ฉันนะวันนี้ฉันสอนแล้วฉันบอกแล้วฉันได้เผยแพร่ดํำรัสของอัลลอฮ์แล้วนะเหมือนเหมือนกันนะเวลาที่เราสอนลูกเนี่ยเราก็ต้องบอกอัลลอฮ์เป็นพยายนด้วยนะฉันสอนแล้วนะแต่ลูกมันไม่เอาในเรื่องหนึ่งเอออัลลอฮ์จะได้ไม่เอาโทษเราใช่ไหมครับเพราะบางคนเนี่ยที่อัลลอฮ์เอาโทษพ่ออะไรพ่อไม่ทําหน้าที่รู้แต่ไม่บอกรู้แต่ไม่เตือนรู้แต่ไม่สอน ดังนั้นไอ้คนไม่สอนจึงได้จึงอะไรจึงโดนไปด้วยแต่ไม่ได้โดนเรื่องทําผิดนะโดนเรื่องอามานะความรับผิดชอบในการบอกในการเตือนในการสอนนั้นคนที่จะรักเราเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้ดูว่าเขาชมเราอย่างเดียวต้องดูว่าเขากล้าที่จะบอกข้อผิดพลาดของเราไหมถ้ายิ่งกล้าบอกข้อผิดพลาดของเรานั่นแสดงว่าคนนั้นแหละเป็นคนที่รักเราจริงแต่การที่จะบอกข้อผิดพลาดเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปประจานไปบอกลงเฟซเลย บอกก็เจ้าตัวสองคนก็ได้นะครับบอกในที่ลับๆก็ได้แล้วก็ให้เขาได้รับรู้นะเอาต่อมาอินนั่ลดีนะกะฟารูอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิษษษษษษษเสธศรัทธาวะซดูอันซาบีลิละและพวกนี้ก็ขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์อย่าว่าจะปฏิเสธอย่างเดียวเลยใครมาสอนก็เป็นไงก็ไม่ยอมตัวเองนะ่ยไม่เอาอยู่แล้วมีมีคนมาเผยแพร่ซุนนะ ปฏิเสธไม่รับอ้าวไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจัดครูมาสอนให้ไม่ยอมอีกเขาจะสอนเรื่องศาสนากลัวแตกแยกอ่ละล้อสอนเรื่องศาสนาจะแตกแยกอะไรล่ะแต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องความชั่วนะแหมสามัคคีแปลกไหมพอจะทําเรื่องดีๆเรื่องศาสนาจะให้ครูมาสอนอุ้ยกลัวนั่นกลัวนี่กังวล น, นั่นเดี๋ยวเข้าใจนี่แหละหนทางเชตตอนพี่น้องเชตตอนมันก็จะคอยขัดขวางรวมถึงคนด้วยบางคนเนี่ยตัวเองไม่เอาไม่พอนะยัง ไป ข, ขวางคนอื่นที่จะให้เขาได้รับขนทางได้รับความรู้ในคนทางของล้อด้วยนะเราไม่ส่งลูกเราเรียนแต่พอคนอื่นเขาจะส่งให้ไม่เอา้าเดี๋ยวมันเป็นพวกหัวรุนแรงดูทำไมลนะ่ะเรียนศาสนาเนี่มันมีปัญหาหรืองไงนะอ่ะอันนี้มันก็มีเกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่สมัยท่านรอซูลแล้วไอพวกนี้เป็นยังไงก็ดดอลูดอลาลมบาอดาอัลล์บอกว่าพวกเขาเนี่ย หลงทางแบบไกลลิบหลีเลยไกลลิบเล ย, ไ, ลลเลยไม่ใช่ลีกิฟไกลไกลลิบเลยนะไกลมากๆเลยบาอีดาะละลำบาอีดาอินนันลเลดีนกะฟารูวาโซลาโมแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่อาธรรมกับตัวเองลำเมียกูนินลแหละลตรงนี้เป็นการปฏิเสธนะปฏิเสธแบบถาวรทั้งทั้งหมดเลยไม่รับเล ย, เลยทั้งนั้นปฏิเสธถาวรเลยบอกว่าไง ใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้อภัยแก่พวกเขาก็หาไม่นะวาเลหุมวาลเลียดิยหุมตอริคอหรือหาว่าอัลลอฮ์นั้นใช่ว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะแนะนําทางหนีให้แก่เขาก็หาไม่ทางที่จะหนีจากการอะไรการลงโทษอ่ะไม่มีทางหนีด้วยแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับการอาภัยด้วย ถ้ายังไม่สำนึกผิดยังไม่กับเนื้อกับตัวนะโดยเฉพาะบาปที่เอลลาละไม่ใภัยก็คือบาปของการปฏิเสธนะชีริกนะครับการตั้งปากีและการเป็นกุฟอการปฏิเสธศรัทธาไม่มีทางเลยมีอยู่ทางหนึ่งเอาละบอกเฉลยแล้วหรืออยู่ทางเดียวแล้วอินลาตอรีก็จะหันนมเว้นแต่ไม่อยู่ทางหนึ่งที่พวกนี้ต้องไปแน่นอนก็คือทางแห่งการไปนรก เดี๋ยวห า, วาพูดแรงไม่แรงนะเพราะอัลลอฮฺบอกนี่ตอรีก็จะหันนำหนทางของการไปสู่ไฟนรกจะหันนำเท่านั้นเองมีทางเดียวไม่ใช่ตุรุกด้ยนะไม่ใช่หลายทางด้วยนะทางเดียวเลยทางเข้านรกเข้าแบบไหนคอลีดีนาฟีฮะอับดาเข้าแลว้วอยู่ตลอดการไม่มีออกอยู่ไปเลยไม่มีจุดสิ้นสุด บางคนบอกอัลลอฮ์มันจะเข้ายากหรือเปล่ามันจะเข้าง่ายหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกต่อวัแกแนเดรลิกาละลอฮียาซีรอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายได้สําหรับพระองค์นะเราเนี่ยขอโทษที่จะเอาวัวมาเชือดสักตัวหนึ่งเนี่ยยืดแล้วยืดออีกดึงแล้วดึงอีกทั้วัวมันตัวใหญ่หน่อยก็ใช้คนดึงกว่าจะให้ไปสุดท้ายมก็โดนเชือดอยู่ดีแหละแต่ก็ออกแรงกันเหนื่อยใช่ไหมแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราลงนรกเนี่ยไม่เหนื่อยเลยพระองค์สบายมากมีมาริกา บอกต้อนลงนรกหมดนะขัดขืนยังไงก็ไม่มีทางที่จะขัดขืนในการที่เมื่อเอาล้อใช้ให้ลงนรกนะบัญชาก็บัญญัติลงมาว่าเจ้าเป็นชาวนรกก็ไปเลยอย่างง่ายเลยลงนรกอย่างง่ายเลยว่าแกแน่แยรีกอาลาลเฮียซีรอนะยอยูฮันเนสอัลลอฮ์พูดนะบอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายก็เดจอากุมุรอซูลบินฮัก แท้จริงศา ส, ะสะนะทูตนั้นเนี่ยได้นำความจริงจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามายัางพวกเจ้าแล้วทำไมอัลลอฮุบฮานะหัวตาแลถึงมีการฆ่าโทษคนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮปฏิเสธอัลลอฮ์ล่ะก็เพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนแล้วทรงรอซูลมาสอนแล้วและสิ่งที่รอซูลนำมาก็คือเป็นความจริง อย่างที่ฉันบอกว่าถ้าเกิด ส, สมมุติว่าเรามีคนคนนึงเนี่ยมาสอนเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่มั่นใจก็ได้ไอ้คนที่สอนเราเนี่ยความรู้มันจะแค่ไหนเออมันจะถูกหรือผิดนะอย่างคนที่เขาเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยไลฟ์โค้ดคนผมไม่รู้จักนะที่เขาจะมาโค้ชิ่งโค้ดนุนโค้ดนี่เนี่ยก็ไม่รู้จะถูกจะผิดเพราะว่ามันก็เอามาจากตำรับตำราฝรัง่งบ้างอะไรบ้างคิดเองบ้างอะไรบ้างแต่เราเชื่อเลยนะโอ้โหบางคนเนี่ยพอไปโค้ดมาเนี่ยเชื่อหมดเลย อ่าเสียสตังค์ด้วยเป็นแสนเป็นหมืน่นเพื่อให้เขามาโค้ดซึ่งไอที่เขามาโค้ดเนี่ยไม่รู้จริงไม่จริงกับไม่รู้เพราะมาจากมนุษย์คิดกันเองแต่สิ่งที่เป็นศธรรมเป็นของจริงเลยก็คือคําพูดของนบีสิ่งที่นบีนํามาทั้งเป็นกุรรานก็ดีสุนนะก็ด้านั่นดีอันนี้แหละของจริงของแท้เพราะมาจากอ AH. ัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกต่อว่ามิร um um ับบีกุ้มฟาอามีนูคอยร้อนละกุ้มแต่และดังนั้นสิ่งที่นบีนํามาเนี่ย พวกเจ้าจงศรัทธาเถิดและมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับเจ้าทั้งในดุนยาและอาคิระอนนะใครอยากเข้าใจว่าคนที่ศรัทธาเนี่ยจะได้รับความสุขเฉพาะโลกหน้านะโลกนี้ได้ปะได้แล้วโลกนี้ก็ได้เออเรามีความสุขกันนะเราที่ น, นั้นะเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถามไปถามได้ว่าเราซอฮาบะเนี่ยมีความสุขขนาดไหนเวลาที่รับอิสลามเนี่ยดีใจขนาดไหน นะมีความสุขขนาดไหนที่ค้นเจอศัจธรรมนะและความสุขบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงการการได้รับแต่ความสุขบางครั้งเนี่ยมาในรูปแบบของการให้การให้โดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เป็นสวเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสวเวลาเห็นลูกเห็นหลานเนี่ยอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยมันเป็นความสุขมันมีคลิปอันหนึ่งขอมาอจริงๆนะเป็นคลิปกระเทยออกมาพูดมีกระเทยออกมาพูด เป็นตุ๊ดนะออกมาพูดบอกว่าอิสลามเนี่ยเขาถูกปลูกเขาเรียกนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถูกความเชื่อครอบงําว่าในหลักการในว่ามีแค่สองเพศมีแค่เพศชายและเพศหญิงก็ไม่ได้ทอกครอบงำมันคือความจริงก็มีอยู่สองเพศนี่แหละมีแม่หมอเวลาคลอดออกมาออกมาเว่เอร์น่าจะเป็นสองเพศเป็นกระเทยนะเนี่ยไม่มีหรอกว่ามีสิ่งที่บ่งบอกว่ามีอวัยเพศบอกอยู่แล้วว่าเป็นเพศไหนมันมีอยู่สองเพศ แต่คําว่าคุณซาตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือมีมีอวัยเพศสองอันนะ่ยมีมีเหมือนกันแต่น้อยมากแทบจะไม่เจอเขาเรียวกว่ากระเทยที่มันเกิดขึ้นจากการมีอวัยเพศพร้อมกันคราวนี้เขาก็มาบอกว่าเขาก็พยายามทําตัวให้ดินให้เด่นให้ดีให้ดังเรียนให้เก่งที่สุดความเป็นเลิอที่สุดทํากิจกรรมจนกระทั่งมหาวิเลยมอบประกาศนียบัตรหนึ่งสองสามสี่ให้ก็เอามาให้คุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เป็นมุสลิม เขาก็เลยถามว่าพ่อแม่ไม่ภูมิใจในตัวหนูหรอที่หนูเนี่ยเป็นคนเก่งที่หนูเป็นคนที่ได้ประกาศนียบัตรต่างๆโอ้ยเก่งไปหมดเรียนเก่งโอ้ทุกอย่างเลยทํากิจกรรมแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเตรียมคําตอบไว้แล้วก็คือพ่อแม่จะภูมิใจได้ไงในเมื่อหนูเป็นคนที่ฝ่าฝืนพระเจ้าเขาก็เลยมองว่าอิสลามเนี่โอ้โหทําไมเอาแค่เรื่องฝ่าฝืนพระเจ้าเป็นตัวหลักเขาบอกแกน่ยหัวสมองแกกลับ จริงๆเป็นอย่างนั้นแหละพ่อแม่ที่ไหนอจะภูมิใจกับลูกที่ทําผิดหลักการศาสนาคุณจะเก่งขนาดไหนมันก็เก่งแค่ดุนยาแต่โลกหน้าคุณไม่รอดอืมนะก็นํานเรียนกับพี่น้องว่าความสุขของพ่อแม่ที่แท้จริงก็คือเห็นลูกอยู่ในร่องรอยอยู่ในการปฏิบัติของศาสนานั่นเองนะนี่คือความสุขอย่างหนึ่งนะอลูกไม่ต้องเป็นคนเด่นคนดีคนดังแต่ขอให้เป็นคนดีของรอดได้ไหมเนี่ยนะเราต้อง จำแบบนี้ให้ให้ใ ห, ให้เป็นคําสอนที่เราสอนกับลูกของเราเอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าว่อินตะฟูรูฟอินนาลลแฮิมาฟิสมาวาจิวันอัตแต่ถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินก็เป็นสกรรมัสิดของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนั่นแหละว่กากนัลลอห์ว่กากนัลลอฮุอา ล, ลีมันฮากีมาพราะองค์อัลลอฮ์ทรงรอบรู้และทรงปรีชาญาณมีอายะกุรานอันนึงนะครับ ที่ลอรบอกว่าวกอละมูซาและมูซาได้กล่าวว่าหากพวกเจ้าอินตักฟูรูหากพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามันฟิลอารดิจามีอาบนโลกเนี่ยไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลยนะไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลยเป็นกาเฟ่กันหมดทั้งโลกเลย ซ, ซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นนะหมายถึงว่าเปรียบเทียบไปเสยว่าถ้าบนโลกนี้ยไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลย ฟาอินนัลลอฮะกอนียุนหามีอัลลอฮ์ก็พอเพียงอยู่แล้วหมายถึงว่าทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วและทรงได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วเพราะนอกจากมนุษย์ที่ทําการสรรเสริญอัลลอฮ์นี่ก็ยังมีเยอะมลิกาสรรเสริญพระ อ, องค์ก้อนหินนะต้นไม้ภูคงปูคงบูขารากาทั้งหลายชั้นฟ้าแผ่นดินก็สรรเสริญอัลลอฮ์อยู่แล้วมนุษย์จะปฏิเสธอัลลอฮ์ทั้งโลกพระ อ, องค์ก็ยังทรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิม ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับอัลลอฮ์เลยแต่ปัญหาสําหรับคนปฏิเสธนั่นแหละที่จะโดนอาสาบนะอันนี้ก็คืออายะคุรอ่านที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาข้อคิดข้อแรกเลยก็คือความรู้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้รู้เองนะทุกวันนี้ที่เราเรียนเก่งเรารู้เนี่ยความรู้นี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยยั้นอย่าได้อย่าได้ทนงตัวว่าเราแฉวเราเกิ่งกว่าคนอื่นเราต้องพยายามอ่อนน้อมถอนตนยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์เยอะยิ่งมีความรู้เยอะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะเพราะความรู้ที่อัลลอฮ์ประทานให้ นะอันต่อมาสุดท้ายก็แล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าการที่เราการที่คนคนหนึ่งปฏิเสธสัทานเนี่ยไม่ได้ทำให้ Allah, อัลลอฮ์เขาเรียกอะไรนะลดความดีชานุภาพของพระองค์เลยนะพระองค์ก็ทรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อมาเราอ่านกันต่อเนาะในอายะที่171 ยลกตบลาลุฟดินิกุมเจอไหมเจอแล้วนะอายเอายเดิมนะครับอายะเดียวมันยาวนะกลับไปที่ตัวเดิมนะ ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله วَ ك َ ل ม م َ ت ُ ه ُอَ ل ก ق َ ا อَล إ ม ل َาห์มวารูหุมมินอัลกอฮะอิลามรยาห์มวารูหุมมินอ่ะรบอรอหนึ่ง กีบทขอยรอบว่าคลิมาตูฮ์อลกออฮ์อิลามรยามาวะรูฮมิน ฟาเอมุบิลลาฮิวะรุสุลีฟาเอมุบิลลาฮิวะรุสุลีว لا تقولوا سلاسلننته خير لكم อินนามัลลอฮฺอิลาหฺ واحد ศุภะนะหฺไม่ควรจะมีลูก له ما في السماوات وما في الأرض وكافى بالله و كيلا الله บอกกับอัลลนกิตาบอัลเลนกิตาบก็หมายถึง ชาวคัมภีร์นะตรงนี้ก็หมายถึงนาซอรอนาซอรอนะครับหรือแล้วก็ยาฮูดีด้วยทั้งยิวและคริสต์บอกว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเจ้าจงอย่าทำให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้านะและตักลูฟีดีนีกุ้มอย่าทำเกินนะกว่าที่ศาสนากำหนด อ่าบางครั้งเนี่ยการทําเกินกว่าที่ศาสนากําหนดก็ไม่ได้แปลว่าดี mm hmm. เช่นเราละหมาดนี่แหละวันนี้เรามีความขยันมากเลยเราละหมาดซูโบสีบส่รกักกาเออไม่ได้พี่น้องครับละหมาดใช่ไม่ได้ไม่ซ้อมีครั้งหนึ่งนะีมีคนเป็นนำละหมาดซุโบสีบส่รกักกาเกิดขึ้นในสมัยท่านอุสมานปรากฏว่าไปเป็นอิหมัมนําละหมาดพอไปถึงพอไปถึงรกักกาที่ที่สองก็นั่งตาช้าวุฒ แทนที่จะให้สลามขึ้นต่ออีกสองล็อกอะเอ่อไอ้ไอคนที่เป็นมะมุมในสุดาอวยใหญ่ด้วยนะสมัยท่านอุษมานไอ้คนมะมุมก็ทําไงสุบฮานอนล่อเตือนไ อ, ไอ้ไอ้นั่นไม่ลงมันทำสีไม่ลงพอไม่ลงก็ให้เราเหนี่ยดมุฟาร์เราก็แยกเลยก็คือนั่งตาช้าวุฒของเราแล้วก็สลามไม่ต้องไปรอสลามเลยจบของเราแล้วแกไปของแกไปเลยเพราะผิด สุบโบอะไรสีเราก็อาผิดพอละหมาดเสร็จก็มาถามเฮ้ยละหมาดสุบโบทำไมามีสีละ่ะหน้าตาแดงๆมืึนๆกินละมุดออกเมาเมื่อคืนกึ่มไปหน่อยอุสมานก็เลยเรียกไปก็ไปเคี่ยนซะแต่ไม่ได้ใช้ให้คนที่ละหมาดตามในละหมาดใหม่ถือว่าละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้ตีมัมเมา อ๋ออันนี้อันนี้เลิกไปอันนี้คุกกลมเนี่ยไม่ได้แล้วแต่สมัยแรกเลยที่น บ, บียังอยู่เนี่ยยังยังยังให้กินได้เป็นเวลาก็คืออย่า ก, กินช่วงที่ใกล้ละหมาดแล้วตอนหลังนี่ก็มาห้ามแล้วห้ามตั้งแต่สมัยท่านนาบีแล้วใช่ไมาห้ามแล้วครับแต่สมัยอุสมานนี่คือนบีเสียไปแล้วนะท่านอุสมานเป็นเป็นคอร์ฟ่าแต่อันี้เขาเมาซึ่งเมาเนี่ยบาปแน่นอนผิดแต่ศาสนาบอกว่าไอ้คนที่เป็นมัมุมเนี่ยไม่เกี่ยว เพราะพอพอไม่รู้ว่าเมาถ้ารู้ว่ามาคงไม่ให้เป็นหรอกนี่มั่มประจำสุดาเอาซด้วยโดนเคียนไปอันนี้เราให้วิน้องฟังจบเลยครับเราจบเลยเราตามเขาไม่ได้อยกเว้นว่าเราลืมกับเขาด้วยกันลืมกันทั้งคู่แล้วแต่เนี่อ้าวตอมาเขาบอกชาวคัมภีร์อย่าได้ทําเกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับลอนอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นเออเวลาที่เขาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยให้พูดเฉพาะที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่แต่งขึ้นมาเรื่องอะไรบ้างที่เขาแต่งขึ้นมาที่เขาเข้าใจผิดก็คืออินน ul ัมัลมาซีหัวไอซ์บนุมาริยมรอซูลุละลอแท้จริงมาซียก็คือนบีซานะฉันบอกไปแล้วมาซียหมายถึงฉายาหนึ่งของนบีซาเพราอรูป รลบเสร็จแล้วหายอน่นบีอีซราเนี่ยเป็นชนชาติอะไรพี่น้องรู้ไหมเป็นอาหรับหรือเป็นเป็นเป็นเป็นบันีสรออีนเป็นบันีสรออีนนะนบีอิสราเนี่ยเป็นบันีสรออีนด้วยนะไม่ใช่เป็นอาหรับนะอาหรับมีแค่สองมีแค่นบีมูฮัมมัดคนเดียวเป็นอาหรับแล้วก็จริงๆนบีในลูกนบีบรอฮีมีคนนึ่งก็คือิสมารีนเนี่ยอ่่ก็มาจาก นบีอิบราฮิมเหมือนกันใช่ไหมก็ามาอยู่ตรงนี้ก็ ม, ไ ม, ไมีไม่มีไม่มสมัยอีคนนึงที่มาอยู่ตรงนี้ อ, อับดับอ่าคราวนี้ต่อมาก็อัลลอฮ์บอกว่ามาซีอีซานอุมารยามเนี่ยเป็นเพียงเป็นเพียงอะไรศา ส, ะสะนะทูตของอัลลอฮ์แปลวา่านบีซานเนี่ยเป็นรอซูลเหมือนกับที่นบีมูฮัมหมัดเป็นนั่นแหละไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเออคือมีอิทริฤิ์แบบ คล้ายๆแบบอะไรเหมือนสับเหมือนพระเจ้าไม่ใช่นะแต่สิ่งที่เป็นก็คือเป็นมนุษย์อลักษณะการเป็นมนุษย์ดูไม่ยากดูไม่ยากดูยังไงอ่ะลองขังเอาไว้แล้วหิวอ่ะใช่ <c oughs> มนุษย์ต้องกินต้องกิ น, กนไหมล่ะถ้าต้องกินก็นเป็นมนุษย์พอกินมาก็ต้องอึอันนี้นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมารีกาอ่านี้ไม่กินอยู่แล้วสบายนะไม่ต้องกินแต่เป็นมารีกานี่ยมัต้องกิน อาทำด้วยแล้วบันนีส้สรล อ, อีนก็เป็นกลุ่มชนหนึ่งะครับก็คือเป็นผู้ยังไงทุกวันนี้ก็คือตร ะ, ะกูลของเยโฮธน่นแหละบันนีส้สโลอีนวิถีชีวิเวตเขาเป็นยังไงก็คือเดิมก็เป็นตระกูลที่ที่อะไรครับที่อัลลอฮ์ให้มีความเฉลียวฉลาดให้มีความรอบรู้เพราะว่าเราซูลส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นบันนีส้สรล อ, อีนแต่พวกเขาก็เนรคุณอัลลอฮ์โดยการท้าบราซุนคนไหนดีเขาก็เขาจะตามคนไหนไม่ไม่ขัดใจเขาก็ลางไล่ฆ่าสังหาร ส่วนอาหรับเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้มีรอซูลมาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเขาก็จะอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่กับแพะอยู่กับแกะแล้วก็ช่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มชนที่ยาฮิลิยาเลยก็คือไม่ค่อยมีวัวฒนธรรมอะไรก็แบบกราบไหว้เจเวิดรูปปั้นเลยแต่ตอนหลังอัลลอฮ์ทรงรอซูลมาในสังคมที่มันแ ย, ย่ที่สุดเพื่อจะเป็นการบอกว่า อะไรที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงดีที่สุดก็คืออิสลามดังนั้นอิสลามเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดจะดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้หรือจะแย่ที่สุดก็เปลี่ยนได้นะก็ฮิบรูไงทุกวันนี้อิสราเอลก็พูดฮิบรูกันใช่ครับภาษาก็เหมือนกันยิวเนี่ยเป็นเป็นชนชาติที่รักษาอัอตลักษณ์ของตัวเองยิวไปอยู่ไม่มีประเทศนะครับตอนหลังเขาไปอยู่ยิวไปอยู่ยุโรปไปอยู่ทหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสอนลูกหลานเขาก็าต้องผอนพูดฮิบรูเขาจะพูดพิบู และเขาพูดภาษาถิ่นด้วยส่วนคนส่วนใหญ่ที่เป็นชนชาติอื่นเนี่ยเมื่อย้ายไปที่ไหนก็จะพูดภาษานั้นและลืมภาษาตัวเองพวกเรามาลายูมาทุกวันนี้ก็พูดมาลายูไม่เป็นแล้วคนย้ายขึ้นมาบางทีกรพูดแต่ฮิบรูเนี่ยเขายูเนี่ยเขาเป็นชนชาติที่และศาสนายูคนที่จะเป็นยูได้ต้องเป็นคนยูเท่านั้นอย่าสมุติมีคนคนหนึ่งไปศึกษาศาสนายาฮูอยากเป็นยาฮูเขาไม่รับนะทำไมไม่รับอะ่ะแกไม่มีเชื้อยูไง เป็นศาสนาที่เฉพาะพวกเขาอย่างเดียวแต่พวกเขาออกมาเป็นมุสลิมก็มีเช่นเขาบอกไปแล้วบนันทึอะไรนะอับดุลบินสลามขออนุญาตรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาตรงนี้ก่อนต่อมาอาลัลลอฮ์บอกเป็นเพียงศาสนาทูตของอัลลอฮ์สถานะนะก็คือยิ่งใหญ่แล้วนะเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และเป็นเพียงดํารัดของอัลลอฮ์ที่ได้กล่าวแก่มารยำเป็นบัญญัติเราหมายถึงว่าเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์กล่ า, าว คุณฟยากูลพอปืนปุ๊บก็ท้อขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นวิญญาณหนึ่งจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นวิญญาณของอัลลอฮ์นะเป็นวิญญาณหนึ่งจากที่อัลลอฮ์ประทานให้ก็เหมือนเราเนี่ยก็มีวิญญาณอัลลอฮ์ก็ประทานให้อัลลอฮ์สร้างวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ให้ไอ้พวกนี้ไปเข้าใจว่าเป็นเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์กลายเป็นอัลลอฮ์มีลูกเห็นไหมนิดเดียวเองคําว่ามินตรงเนี้ยแปลผิดครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย ใบตุ้นเหรออย่าเขาจะเลยอธิบายต่อว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการให้เกียรติไงสถานที่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์มาอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ใช่ก็สมมุติมีคนคนหนึ่งเข้ามาทุบสุราทิ้งก็เป็นก็วัตถุก็คือสุราก็ทิ้งไปเสียหายไปแค่นั้นแหละนะแต่คําว่าบ้านของอัลลอฮ์เป็นการให้เกียรติสถานที่เป็นการเชื่อมไปสถานที่แค่นั้นเองรู้ว่า มินร์มินหู้คำว่ามินหู้เนี่ยจากพระองค์เนี่ยหมายถึงเอาลอประทานวิญญาณให้ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณแบ่งภาคออกมาไอ้พวกนี้เชื่อว่าเป็นภาคของลอแบ่งภาคออกมามาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไม่ใช่ดังนั้นจงศรัทธาต่อลอและบรรดาศาสนาทูตของพระองค์เออและจงอย่ากล่าวว่าสามองค์เลยสามองค์แปลว่าอะไรมีพระเจ้าสามสามองค์ผมก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าตรี อะไรมนุกเกะเอกานุภาพอะไรไม่รู้ เ, เ, เ, ลเวลาคนคริสตเนี่ยเวลาเขาจะทําการสรนเสริญเนี่ยเขาจะจิ้มไปที่สามจุดเขาจะจิ้มไปที่หัวมีที่แล้วก็นาอกก็จะมีพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์เซนและก็พระบุตรและก็พระแม่มึงสงวยรู้ไหพระมันดาเป่าไม่รู้พระมารดาเขาก็บอกว่ามัตยมก็เป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าด้วยเป็นพระเจ้าด้วยมัตยมก็เป็นพระเจ้าเป็นเทพไปด้วยแ<อ>ล้วก็รวมถึงนบีอีซาด้วยกลายเป็นสามพระเจ้าเลย แต่ของเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้านี่ยนึง น, น, น, นบี น, นบีอีซาก็เป็นบ่าวขอร้อง الله. เป็นพระเจ้าป่ะไม่ใช่เป็นรอซูลและพนางมายามล่ะพนางมายามก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ซอลีฮะเป็นคนดีขอร้องก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหลักฐานว่านางพนางมายามเป็นมนุษย์คืออะไรคือต้องกินไงต้องกินข้าวแต่ล l l a h ให้วิกินพิเศษก็คือมีผลไม้มาแอบ น, นบีอิสาก็ต้องกินคือถ้ากินเมลรดเนี่ยเป็นคนเท่านั้นแหละไม่ไม่ไม่เป็นอย่างอื่นหรอก นะครับอ้าวต่อม า, เ, อาเดี๋ยวผมอ่าน ใ, ให้จบเลยนะแปลให้จบเลยอย่าได้กล่าวว่าสามองเลยและหยุดพูดเสียเถิดมันเป็นความดียิ่งแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอเป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่มีสิการมีบุตรวะาลัดนะบริสุทธิ์จากการมีบุตร สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิทั้งสิ้นของอัลลอฮ์เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะได้รับการมอบหมายเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่คุ้มครองนะอ่ะมาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับขออนุ ญ, ญาตนะท่านน บ, บีมอมฮัมมัดของเราเนี่ยจะห้ามซอบ้ามากเลยในเรื่องของการสรนเสริญตัวของท่านเลยขอบเขตมีรายงานหนึ่งบันทึก โดยอานัสบินมาลิกบอกว่าแท้จริงมีชายคนหนึ่งเนี่ยมากล่าวขอหน้าอบบีบอกว่าโอ้ซ oh, ยิดเนี่ยไซยิดเลยเะไซยิดีนาโอ้นายของเราบินไซยิดีนานายของเราบุตรของนายของเราคอยคอยรุนหมายถึงอคนดีที่สุดของเราลูกชายของคนดีที่สุดของเราก็มาสันเสริญมายืนสันเสริญ ท่านนาบีบอกว่าอยาอายุฮันนาสโอมนุษย์ทั้งหลายสอนเลยนบีสอนเลยมนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยอาะารีกุมบีเกาลิกุม้มจำเป็นแก่พระเจ้าอ่าจำเป็นแก่พวกท่านอย่าได้พูดเช่นนั้นเลยอย่าได้พูดเช่นนั้นเลยวลายยสตาวีวียนนะกุมุชไชตอนอย่าให้ไชตอนมันมารอเล่นกับพระเจ้าเลยอานาีตัวฉันเนี่ยหมายถึงตัวท่านนาบีมุฮัมมัดุล มูฮัมมุนบานุอับดิลละเป็นบุตรของอับดุลลอหตัวฉันเนี่ยก็เป็นเป็นลูกของคนที่ชื่ออับดุลลอหซึ่งพ่อของนบีก็ชื่ออับดุลลอหไงเป็นบ่าวของลอเป็นบ่าวของลออับดุลลอห์วะรอซูลและเป็นรอซูลเป็นศาสนาทูตของพระองค์นบีทอมตัวก็คือให้ให้มองเป็นสาสนาธรรมที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยและก็มีตําแหน่งเป็นรอซูล อแน่นอนเราต้องให้เกียรตินบีนะไม่ใช่ไม่ให้เกียรตินะแต่ในแต่ในมุมที่มุมหนึ่งที่เป็นเป็นการมองก็คือมองนบีเป็นใครเป็นคน อ, อย่ามองเป็นเทพเป็นเป็นอะไรของพระเจ้าเป็นโควเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าไม่ใช่เหมือนกับที่พวกคริสต์นั้นยกยอปอปั้นนบีซะเอาต่อมาวะลอหูวะลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์มาอุฮิบุอันตารฟาอูนีฟาอ์ก็มันซิลัดีอัลลตีอันซาลันีนี่ัลลอฮูอันซาวาจัน และราเออและขอสาบานต่อลอฉันไม่ชอบที่ให้พ่อจันยกลโยฉันเกินตําแหน่งกว่าที่อัลลอฮ์ได้ให้ยกเกินกว่าที่อัลลอฮ์ให้นะผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงส่งฉันประธานฉันมานะครับดังนั้นเวลาเราสาบานเนี่ยอนุญาตไหมให้เราสาบานด้วยกับพนามของรอซูลไม่ได้นะเป็นชิริกนะว่า ล, ลอฮีอย่างเดียวเราจะบอกว่าว ล, ลอฮีว่ารอซูลไม่ได้ตายเลยไม่ได้มีอาดับบางคนนี่ เกินเอาเราซูนมาสาบานด้วยไม่ได้เราสถาบานอนอเลออย่างเดียวเห็นไหมเกินไปอา้าวตัวอันนึงนะพี่น้องครับหะดิษบท น, นี้นะอันนี้เราถ้าเราศรัทธาถูกต้องเราเข้าสวรรค์ทุกประตูเลยนะพี่บอกว่ามันชะฮิดะอัลเลอีลาฮิละลอใครที่กล่าวคําปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอ ah ัลลอฮ์วะดะฮูเลเชรีกะละไม่มีภาคีใดๆสําหรับพระองค์ ว่าอันนโฮัมมัดันอับบดุฮัวรอซูลูและปฏิญาณตนว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นรอซูลของพระองค์ว่าอันนัยซาอับดุลลอห์และปฏิญาณตนว่าและบอกว่านบีอีซาเป็นบ่าวของลอห์ว่ารอซูลูหูและเป็นรอซูลของพระองค์ว่ากาลิมาตูหูอัลกออฮัยลามารย亚马วารูฮุมมินหู ا إ นี่แหละเป็นอยู่เหมือนเนเหมือนในกุรานเนาะและ เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่ได้กล่าวแก่มารยมและเป็นวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นวะอันจันนตัลฮักและบอกว่าสวรรค์ น, นั้นเป็นเรื่องจริงมีจริงวันวันนะรุฮักนรกมีจริงอัต ด, ดะละหุลอหุนจันนะอลมกนมนอาะ ม, ะะนะมันอัลลอ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ตามผลงานที่เขาได้เคยทำมาอีกหะดิษนึงเพิ่มเติม อ, อรายงานหนึ่งบอกว่าจะเข้าสวรรค์นในแปดประตู สวรรค์มีแปดประตูนรกมีเจ็ดประตูยะเดคูลูมินไอชฮะชะจะเข้าประตูไหนก็ได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะถ้าเราศรัทธาถูกต้องเนี่ยโดยโดยเฉพาะต้องศรัทธาเรื่องนบีอีสาให้ถูกด้วยนะบางคนเนี่ยไม่รู้ถามเรื่องนบีอีสางงไม่รู้ก็เหมือนคิดเขาหรือเปล่าบางคนมีคิดอย่างนั้นอีกตายเลยถ้าไปคิดเหมือนเขาเนี่ก็แท่บจะไม่ใช่มุสลิมแล้วนะเพราะมุสลิมเนี่ยมีอัลลอฮ์องเดียวนบีอีสาเป็นรอซูนพนางมัลลัมก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกัน นะครับปรากฏว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ขอ อ, น, อนิดหนึ่งนะมีรายงานบอกว่ามีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของพวกเขาชื่อว่าซน์อิมบัตตริกเป็นบาทหลวงแห่งเมืองอาลิสซานเดียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีฮิจรอตที่400ฮิจรรตที่400ยังไม่นานเท่าไหร่นะ400เองเลยยุคสลับไปร้อยหนึง่งปีพวกเขาก็ประชุมกันที่เมืองคอนสแตนตินกษัตริย์อ๋อกษัตริย์นะกษัตริย์คอนสแตนตินเรียกประชุม และเป็นคนก่อตั้งเมืองอเลสซานเดียหรืออิสคานดารียราภาษาอังกฤษนะอยู่ที่ยิปนั่นนะเป็นเมืองเมืองใหญ่เลยแล้วก็มีการประชุมกันของบาทหลวงคนมาประชุมทั้งหมดเนี่ยเป็นบาทหลวงทั่วทั่วหมดทั้งหมดเนี่ยสองพันคนโดยที่ประชุมก็เห็นต่างกันอย่างมากมายไม่มีข้อไม่มีไม่มีเขตจำกัดในการแบ่งพาคแบ่งพวกแบ่งบางกลุ่มก็มีห0สิบคนบางกลุ่มมียี่สบคนบางกลุ่มมีร้อยคนบางกลุ่มมีเจ็ดสิบคน นะแต่กลุ่มที่เยอะที่สุดก็คือมี318ซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่สนับสนุนกษัตริย์แสดงว่ามีแหละมีอิทธิพลอยู่เพราะเป็นคนที่สนับสนุนกษัตริย์อยู่เป็นเหมือนกับเป็นบาดหลวงที่ให้การสนับสนุนกษัตริย์ในการปกครองเพราะเขาจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะมีการสร้างโบสถ์มีการสร้างต่างๆอ๋อได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ขอโทษทีไม่ใช่สมุนกษัตริย์กษัตริย์ในสมุนพวกนี้สร้างโบสถ์สร้างตำราสร้างอะไรต่างๆ และก็สอนเด็กๆเกยวาวชนพวกนี้เรียกว่ามาเลกียะแล้วก็จากนั้นก็ประชุมครั้นที่สองอีกคือสรุปไม่ได้เลยประชุมขั้นที่สองอีกก็เกิดกลุ่มอีอันที่เรียกยะกูบียะประชุมครั้นที่สามเกิดนั ส, นสตูรียะทั้งหมดเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับ น, น, นบีอีสาผิดหมดเลยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่านบีอิสาเป็นพระเจ้าเลยและก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์และก็กลับไป เป็นพระเจ้าเลยนะอันที่สองบอกว่าเป็นพระบุตรเป็นลูกของอัลลอฮ์แบ่งภาคนะเป็นลูกของอัลลอฮ์อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า เ, เป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์อันนึงเป็นอัลลอฮ์ลงมาเลยอันที่สองเป็นลูกของอัลลอฮ์อันที่สามเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอ์เหมือนแบบแบ่งออกมาทั้งสามกลุ่มเนี่ยผิดหมดกลุ่มที่ถูกก็คือกลุ่มที่ กูรราหบอกนี่ไงก็พวกเราอืมอินตาฮาคอยรอนลกุมอย่ากล่าวว่ามีสามพระเจ้าไม่ไดยพระเจ้ามีองค์เดียวคําถามว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกหรือเชื่อตามพวกนั้นที่พูดแน่นอนเราต้องเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะกุรราห์ลงมาในถือว่าจบแล้วเป็นข้อชี้ขาดได้แล้วแต่พวกนี้ยังข้อชี้ขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเขาเอากุรราห์ไหมเขาไม่เอากุรรานไงเรื่องของเรื่องเพราะเขาไม่เอากุรราหเขาก็เลยยังงงกันอยู่ต่อลงนบีซาเป็นใครอยู่แก่มันก็ยังวันเกียร์มาแต่อันนี้ยจะจบลงเมื่อนบีลงงมาช่ว ท้ายของวันเกียร์มานะอ่ะก็มีเท่านี้นะครับเรื่องของนบอสสาาีอีสราเอลฮิสสลามอ่ะอ่านต่อนะเลียสตันกิฟัลมาซีฮุอัยยกูนอับดัลลิลละ อ้ายกูน <ت ص في ق> ع ب د ل ل ه และเหล่าแมลอีกตุมุกรบู ع ب د ل ل ه กรอีนะไอเสียงน ตาย น, น, ายนูนตายพบยาอ่าอีกรอบหนึ่งนะอียกูนอับดัลลิลลาฮิวลาลมลาอลกะตุลมุคารบูน و َาไม ي َ س ْ ت َ ن ิฟอัน عبادته ว و َไมَ่ัตต์กิ ك ِ ف ْ عبادته วَยัตต์กบรฟวียัَตَกบรฟัُจُพชูรุหุมอิลัยฮิจามีะ อีกรอบนึงนะอ่ามันจะตัวมันจะติดติดกันนิดนึงนะครับดูคดีนะวะไมยัสตังกิฟอันอิบะดาติวะยัสตบิร ฟะสยาผู้รู้หุ่ม إليه جميع อาเห็นไหมมันจะดูถ้าเราเสียสมาธินิดนึงก็ตัวมันจะติดๆกันนิดนึงนะครับ ف َ أ َ م ا الذين ََ آمنوا َ وعمل الصالحات ف أ َ م الذ ا الذين آمنوا وعمل الصالحات فيوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ ال فَضْلِهِ มากเลยนะอ่าฮุ้มหลวงเสียงด้วยนะหุ้มตัวสุดท้ายนะครับยาซีดูฮุมมีนะสองตัวนะฟาเยวฟฟีหิมอูจูร่าฮุมว و يا زيدو ه ม م ي ฟ ف ض ลิ و َأَمَّا الَّذِينَ ا َْ ت َ ن ْ ك َ ف ُ و ا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أ َ ل ِ ي م ًَ ا ดีมากครับอ่าสอีกรอบนึงนะวَ่อัลมาลาดีนัสต์กัฟูอัสเตคบรูฟายูณดบุหุมอาดับนอเลมานัสต์ ว่าแล้วยาดูนละห์มิมดูนละห์วะลียูวะลาณซีรอหายใจลึกๆกินนะ รอบนี <itute> <ality> ้ว่าแล้ววَ่แล้วจะดูนั่นแหละมิมิ่งดูนิลลาฮิวะลิย์อูวลนัซีรอ มาดูความหมายนะครับอัลมาซียนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวความหมายจะจะข้ออธิบายนะอ่านตามตัวก่อนไลยสตันกีฟะมาซีหูอัลมาซียนั้นจะไม่หยิงยโสเป็นอันขาดที่จะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์งงไหมคือหมายถึงนบีอีสาเราเนี่ย พอบอกว่าเป็นบ่าวของลอปปับจะรู้สึกอูยแย่จังเลยต้องต้องถูกยกสถานะเป็นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระบุตรไม่ใช่เ อ, อไม่ได้หมายความว่ามนุษย์พวกเราเนี่ยบ อ, บอกว่านบีสซาเป็นเป็นอะไรนะเป็นบ่าวของลอปเนี่ยเป็นการไม่ให้ฆ่านะบีอีสซาไม่ใช่ไม่ใช่เลยและไม่ยิ ง, งยโซด้วย อ, อแต่แน่นอนว่านบีเหล่านั้นเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ว่าและมาเลกัตูมุกอร์บุลและมาริกา์ที่ใกล้ชิดพระองค์นั้นก็จะไม่หญิงยโซด้วยแปลว่าถ้าเป็นมาริกา์แล้วก็จะมาอวดใหญ่อวดโตก็ไม่ใช่จะไหมมนุษย์มนุษย์แน่นอนว่าโอกาสที่จะมีการเยอ่อหญิงมีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งทำดีกับทำไม่ดีแต่มาริกา์เนี่ยแม้ว่าอัลลอฮ์จะยกสถานนะมาริกเ์เป็นเป็นมาริกา ก็เป็นบาวของร้องนั่นแหละแต่มาเลกาก็ไม่ได้มีลักษณะเย่อหยิ่งอะไรอยู่แล้วเพราะแน่นอนว่าการเย่อหยิ่งเป็นลักษณะของการทำผิดต่อลอซึ่งไม่มีอยู่ในมาลล ก, ก้าอยู่แล้วนะว่าไม่ยัสถันกีฟะอันอิบะดาตีฮีและพูเพราะและพูดใดหยิ่งยอโสต่อการที่จะเคารพพักดีต่อลอนะว่ายัสถักเบิดฟะยัสถยัพชูรุฮุมอิเลฮีจามีอ และก็กลายเป็นคนที่เยโซแล้วและพระองค์ก็จะทรงรวบรวมคขาไว้ทั้งหมดพี่น้องครับอาย่นี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่อิบาดะต่อร้อนนี่คือพวกอะไรพวกเยโซโอหังวดดีปวดแจ๋ววดเก่งใช่ไหมแล้วมันก็เป็นยันตจริงๆนะไอ้คนไม่ละหมาดเนี่ยมันก็จะคิดว่ามันสบายแล้วมันกังแล้วมันแจ๋วแล้วมันใหญ่โตแล้วมันไม่กลัวใครแต่คนที่ละหมาดยิ่งกลัวล้อเขาจะรู้สึก อ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาส่วนบรรดาผู้ศรัทธาจะที่ำทำความดีนั้นอลัลลอฮ์บอกนะอามัตแลดีนอามานูอัมรุสซาลิฮัตไฟยุวะฟีอูยูรอหุมส่วนผู้ที่ผู้ที่ศรัทธาและทําความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างครบถ้วนไวยะซีดูหุมมินฟัตลีและจะทรงเพิ่มภูนแก่พวกเขาด้วยพี่น้องรู้ไหมคำว่าไวยะดีดูหุมตรงเนี้ยปราดอธิบายว่าอะไรอลัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แะและจะเพิ่มอะไรให้ อ่าบอกเขาก็บอกยกสถานเนะตรงเนี้ยอธิบายความว่าคําว่ายะซีตรงเนี้ยเมื่อเข้าสวรรค์แล้วมีอะไรที่สุดกว่าสวรรค์อีกไหมเออมีอะไรที่สุดกว่าสวรรค์อีกไหมสุดแล้วใช่ไหมสวรรค์นเนี้ยแต่มีอันหนึ่งที่เป็นความที่สุดคือการได้เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปดเขาเรียกว่าเป็นม่านกัน้นแล้วให้คนที่อยู่ในสวรรค์นเนี้ได้ยนพระองค์ ได้ชมพระองค์ได้เห็นพระองค์ซึ่งจินตนาการเราไปไม่ถึงนะและในนั้นในนั้นจะเห็นได้แต่ในดุนยาเนี่ยแค่ได้ยินเสียงในสลบแล้วละมีมูซาสลบเลยได้ยินเสียงนี่ใช่ไมนี่คือความเป็นสิ่งที่อัลลอ์จะเพิ่มให้พิเศษได้เห็นอัลลอ์ต้องเข้าสวรรค์นะไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแบบมีความสุขแบบนี้นะครับ อ้าวต่อมาอารอจะเพิ่มให้นะมินฟอรดลีวัมเมลารีนัสตันกาฟูอา่าวัตสตัคบารูอารอบอกต่อนะและส่วนบรรดาผู้ที่หญิงเยโซนั้นตะกับบดอารอจะลงโทษเขาและลงโทษแบบแสนสาหัสด้วยและจะไม่มีจะไม่พบคนที่คุ้มครองเขาได้ช่วยเหลือเขาได้นอกจากอาัารอเท่านั้นอา่อาอ่านต่อนะอ่านสองอายะนะ ยาอายุหันนาสุขเดชะคุมบุรฮันุมมิรับบิคุมไอ้รอบนึง ยาอิยูฮันนัสกัดเจอะคุมบุรฮานุมมิร ر บบิคุมอาพี่น้องดูมีมพบบานะ อิกฟาเชาฟเาวีอ่านหน่วงเสียงด้วยมีมตายพบบามีมตายพบมีมอ่านหน่วงเสียงที่เหลือไม่หน่วงเสียงอ่านชัดอิสระเชาฟเวีไม่หน่วงเสียงอิกฟาก็คือมีมตายพบบา j จ้าคุมบุรหัน m มมิรร b บบิคุมไอรอบหนึ่งเย้ายุหันน b ส r h a n ดเจ i r คุมบุร u m นุมมิรบบุม وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا าُ ب ِ ي ن ً ا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به س َ ي ُ د ด خ ِ ل ข ه ُ م ْ فِي าَ ح ม م َาٍ مِّنْهُ و َ ف ละْ ل ٍ و َาَวْ د ِ ي ه ِ م ْ إِلَيْهِ อิมอิลิสราตัมมุสตกีมวว า, า, ามมมอ่ะมาดูความหมายนะยาอายุฮันนาสโอมนุษย์ทั้งหลายแน่นอนกอดเดาจาอ่ากุ้ม ได้มีหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพระเจ้าคําว่าบุรหานแปลว่าอะไรแปลว่าหลักฐานนะบุรหานมีคนชื่อบุรหานเหมือนกันนะบุรหานแปลว่าหลักฐานนะครับมีหลักฐานจากพระผู้อภิพาบิบาลของพระเจ้าว่าอันซันนาอีไลากานูรอมมูบีนาและเราก็ได้ประทานแสงสว่างอันชัดแจ้งมาให้แก่พวกเจ้าด้วย คนที่อยู่ในศาสนาอิสลามอยู่ในหลักธรรมคำสอนเนี่ยพี่น้องครับก็จะไม่สับสนในตัวเองย้อนแยกไม่มีนะพี่น้องไปดูได้ถ้าเราเอาอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นในแนวเดียวกันหมดเลยอิสลามปฏิเสธเรื่องสุราก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามดื่มอย่างเดียวห้ามผลิตห้ามขายห้ามหิ้ว ห้ามซื้อให้ห้ามขอบคลองทุกอย่าง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเกียดปลาไหลกินน้ําแกงมันมีพวกเกียรตปลาไหลกินน้ําแกงย้อนแยง้งไม่ชอบแต่ถ้าเป็นอีแบบนึงได้แอแต่ของเราเนี่ยถ้าอันไหนห้ามก็คือห้ามหมดตั้งแต่แรกจนต้นเป็นมุสลิมบอกว่าฉันไม่กินเหล้าหรอกแต่ฉันขายอย่างเดียวไม่ได้เนะ ดังนั้นแม้กระทั่งเรื่องอะกิดาก็จะงงบางคนเนี่ยบางความเชื่อบอกมีสวรรค์มีนรกไปถามว่าใครสร้างสวรรค์นรกงงงงไม่มีคนสร้างไม่มีผู้สร้างแต่มีสวรรค์มีนรกนะมีต ก, อองงตกนรกเอองงแล้วแล้วตนรกกลับมาเกิดใหม่อีกอา้าวแล้วตกลงไปเกิดใหม่อีกแล้วก็จะจําได้ไหมกลับมาเกิดใหม่อีกไม่ตกนรกแล้วตกลงไปยังไงต่อมึนไปหมดเลยอันนี้จากฉันที่เคยสนทนากับ คนที่เขามีเชื่อว่ามีนรกแต่ว่าไม่เด่นเป็นมุสลิมฉันก็บอกแล้วแล้ ว, ลวยังไงต่อละ่ะไปไม่เป็นงงไม่หมดนะแม้กระทั่งของคนที่บอกว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ถามพระเจ้าตายได้ตายด้วยเหรออาพระเจ้าตายอาพระเจ้าตายแล้วทําไมพระเจ้าตายพระเจ้าไม่นี่ยอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดมีพระเจ้ามีตายด้วย <laughs> เออมาไปพระเจ้ามีตายด้วยเอองงคือความ ความสับสนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่ได้เอาความรู้มาจากอัลลอฮ์พ่ะคิดเองไงมมันรูคิดเองกไปไม่เป็นหรอกสุดท้ายแล้วพอเวลาคนบางคนบางคนที่มารับอิสลามอ๋อนรกมีจริงเอาใครเป็นคนสร้างเอาข้างสร้างสวรรค์สร้างนารกอัลลอฮ์อ้าวเมื่อเข้าสวรรค์ก็คือจบแล้วสุดทางเขาได้วันเวย์ไม่มีแล้ววนไหายวินว่ายตเกิดไม่มีอ๋อก็เป็นตามตามที่อะไรนะตามลำดับขั้นตอนต่างๆ มีาลามบาซักมากันการเอามีวันกียามัดฟื้นคืนชีพ ม, มาเข้าพุภาษาเข้าสวรรค์เข้ า, ขานารกแล้วก็จบสิ้นทางนะทุกอย่างมันจะดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักการทั้งหมดไม่ย้อนแยงนั้นอัลลอฮ์ให้หลักฐานมานะฟาอัมมัลลดีนาอามานูบิลลาและคนที่ศรัทธาต่อรอดด้วยแล้วก็วาตสิมูคาว่าสีมูแปลว่าอะไร นะเอียติซอมนี่แปลว่าอะไรม ส, สมยิตเอียติซอมยึดมั่นหมายถึงว่าเชื่อแล้วก็ยึดมั่นทำมันให้เห็นนะทําว่ายืนหยัดยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อน่ฟอร์ยุเดคิลูฮุมฟีรอมาตินมะินฮูพระองค์ก็จะทรงให้ขาอยู่ในความเอนดูนะเราจะอยู่ในความเอนดูของลอ ถ้าเราปฏิบัติตามที่อรรถใช้และก็รองมะด้วยเมตตาอีกต่าวันฟัดด้วยฟัดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความโปรดปานอ่าจะอยู่ในความเอ็นดูเมตตาและความโปรดปานคำว่ารองมะเนี่ยรวมคำว่าเอ็นดูเข้าไปดูนะเอ็นดูเมตตาเอ็นดูเมตตาเมตานี่ก็คืออะไรนะให้ประทานให้สงสารเอ็นดูเนี่ยเห็นแล้วมันมีความสุข ถูกไหมว่าเราเราเห็นลูกเราเนี่ยเอ็นดูจังอ่าพอเอ็นดูเสร็จก็จะเกิดความเมตตาตามมาเอ็นดูเมตตาบางทีเมตต า, าเนี่ยจะไม่เอ็นดูก็มีอ่าแต่ว่ามันจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอ็นดูเมตตานี่คือมันมาครบเลยทั้งองค์ประกอบทั้งมันวิยะดีฮิมอิไลฮิซิรอตอมุสตากรีมาและทรงแนะนําพวกเขาอันหนทางที่เที่ยงตรงเขาก็จะเจอทางออกทั้งหมดถ้าคนที่ยำเกงเอา ล, ล้อมมีทางออกทั้งหมด จะมีทางออกอะแล้วก็มาอายะสุดท้ายแล้วนะครับอายะที่หนึ่งอเจ็สิบหนะอายะสุดท้ายละเยสตัตฟตูนักกูลิลลาฮุยุฟตีกุมฟิลกาละ อรอบหนึ่งนะ Yes tu na kuli lahu yufi kum fil kalele Yes tu na kuli lahu yufi kum fil kalele Inim ruum อินิมรุอันฮาลักะ ليس له ولد وله أخت فلنصف ما ترك ดูนิดนึงนะอีนิมรูไม่ใช่รอนะอีนิมรอุนฮาราดูทีละคำนะอีนิมรูุมฮาร า, ารคไลซ า, า, าลาลหูวะลาดุนอันนี้อ่านว่าวะลดูอ่านคาบีวาวนะวะลาดูวะลาหูอ่าวะลาดูวะลาหูอุ โ อ, อุกตุนอ่านเป็นตัวอีกฝาอุกตุนอุกตุนฟาลาฮานิสฟูมาตาล็อกหายหายใจลึกๆนิดนึงนะเป็นเรื่องมรดกอีกแล้วเป็นเรื่องรงมรดก อินิมรุอฮเลกลสลหวล้วลหอตฟาเล่าหนึ่งส่วมาตรรมนิร เอาสามอีกรอบหนึง่งให้คุ้นลิ้นหน่อยอีนิมรูกีรู้นะไม่รอนนะรู้นะอีนิมรูอุนฮาเลกะไลซาลห์ละดูวะละหูอุขันฟะ ล, ล า, านิสฟูมาตราะ ไหวไหมไลซะละฮูวะละดูไม่ใช่วะละดุนนะวะละดูเพราะเข้าไปที่ตัววาวแล้วก็วะละดูอีอรอบหนึ่ง <c oughs> ดูให้ดีดูให้ดี <c oughs> อินิมรุอุนฮาเลกะไลซะละฮูวะละดูวะละ ด, ดูอุตฟะล า, านิส ฟูม um าตาลกอัลคำตูดินแล้วกว่าจะคุ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับอันนี้ไม่เรื่องแปลกนะพี่น้องนะเรายิ่งอ่านบ่อยๆมันก็จะ ง่ายขึ้ น, นเรื่อยๆครั้งแรกยากสุดครั้งนี้สองก็เบาลงมาครั้งนี้สครั้งนี้สี่สบายแล้วเลิมเลยกีบอก <laughs> ดังนั้นการซ้ำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนของท่านนาบีนบีจะสอนซ้ำๆกันบ้างนะให้มีการซ้ำด้วยนะครับเอ่อเอาต่อมาวะหุะยาริสุเฮอิลลัยาคุลลาวะลด อีรอบนึงนะวَ่หัวยาลิสุฮะอิลลัมยาคุลَาฮ์วะลาดฟะอ ن นกَเนตัส นาตายนิฟะละหูมัสลุซานิมิมมาตารักโอ้โหพี่น้องอ่านดีมากอันธรรมตุดินแล้วนะไม่มีพลาดเลย อ่าไม่มีพลาดเลยนะอ้าวดูนะฟาอินกาเนาตัสถ้าบางคนเนี่ยตาไม่ไปที่ซาก็กลายเป็นกาเนาตาจริงๆมันก็คือกาเนาตาอิสเนไตาอ่าแต่ว่านี่อ่านต่อไงมันก็เลยกลายเป็นกาเนาตัสนนไตานี่ฟาลาฮูมัสอีกแล้วจริงๆก็คือฟาลาฮูมาแล้วก็อัสซูลูซานก็อ่านต่อเป็นฟาลาฮูมัสซูละซูลูไม่ใช่ซูละนะซูลูซานนี่มิมมาตาร็ และตัวซานี่ปลายลิ้นด้วยนะปลายลิ้นด้วยน ะ, ะซูลูซา อ, อีกรอบหนึ่ง อ, อีกรอบหนึ่งนะะเน้นความช้าๆแต่ชัวร์นะไม่ต้องรีบเฟินกเนาตาสเนาตานิฟะละหูมสซูลูซานมิมมาตตา์ร นิสาแล้วกันนะอืมวินาณูอตรจนส เวลาเห็นฮาม za มีมี ม, ม, มีอะไรนะฟัดฮัตไก่สละอันแะไรภาษาบาลทาว่าสละอันเนี่ยให้ใส่อาริฟเข้าไปเลยนะนิซาอ่าใส่อาเข้าไปตัวหนึ่งใส่อาริฟเข้าไปไท้ายอีกอันนึงนะอีกรอบนึง <S <S วะอินกาโนอิขวะตาริรจาลาวานิซา ดีมากคร <am> ับฟลิซเกอริมิสลูฮัดลอุนซะเยอินอีรอบหนึ่งนะฟลิซเกอริมิสลูฮัดลอุนะยอน ยุบَยนุลลอ ل ฺเล ه ามแอนตาดิลลَ ل َّ ه ُนَลลอฮฺเล่ามแอนตาดิลลฺวะ بكل شيء عليم มาดูความหมายน ะ, ะสุดท้ายแล้วครับอายะ ส, สุดท้ายจบด้วยเรื่องมรดกต้นนี้เรื่องมรดกเหมือนกันนะเรื่องนีซ็จะมีตรงกลางตอนแรกๆช่วงแรกๆก็มีเรื่องมรารดกแล้วมาปิดท้ายเรื่องมรดกเอาแล้บอกว่าอยัสตัฟตูแนนกาพวกเขาเหล่านั้นจะขอให้เจ้าชี้ขาดปัญหาเรื่องอะไรจงกล่าวเถิดว่ากุลยุฟตีกุมฟิลกาลาละ จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮฺจะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเขาในเรื่องกาลาละกาลาละนี่ใครรู้ไหมคนที่ไม่มีพ่อและไม่มีลูกชายเวลาเราตายเนี่ยของฉันเนี่ยครบเลยยศฉันก็ยังอยู่ลูกชายฉันก็มีไอ้เ น, นี้ยเขาเลยฉันไม่เป็นกาลาละและใครที่ตายแล้วไม่มีพ่อและก็ไม่มี ลูกชายคราวนี้เขาเรียกว่าคนกินมรดกนี่ยเป็นไงรอบหมดเลยมรดกนี่จะกระจายหมดเลยเพราะว่าพ่อกับลูกชายเนี่ยจะเป็นบุคคลที่กัน้นกันมรดกกันมรดกเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของพี่น้องถ้ามีลูกชายเนี่ยพี่น้องไม่ได้มรดกเลยมันกันมรดกแล้วมีลูกกันก็เรียกลูกกันเฮอลูกต้องลูกชายด้วยนะลูกสาวไม่การมรดก ถ้าลูกสาวเนี่ยต้องแบง่ ง, แบงให้พี่น้องพี่น้องเราอะ่ะฉันเนี่ยมีพี่น้องสามคนมีน้องสาวมีน้องชายถ้าฉันตายเมื่อไหร่น้องสาวน้องชายไม่ได้ตังค์ฉันเพราะฉันมีลูกชายอยู่ลูกชายกันและฉันมีพ่ออีกถ้าไม่มีลูกชายถ้ามีพ่อพ่อก็ได้หมดเหมือนกันพ่อก็จะพ่อกับลูกชายเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยวันก่อนเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งตายแกไม่มีลูก แต่แกมีพ่อพ่อคือแกเป็นแก่แล้วหยั่งเป็นตัวตั ว, ต, วตัวแช่และไอพี่น้องก็หมดไม่ได้ตักไม่ได้ตังแล้วเพราะไม่ได้ตังเพราะใครมรดกกลับไปที่พ่อแต่ถ้ามีแม่มีลูกสาวล่ะไม่การมรดกมรดกจะกลายไปถึงพี่น้องและลูกของพี่น้องด้วยนะไอหลานๆนะได้ด้วยเออนี่แหละเรื่องศาสนาดังนั้นจึงไม่แปลว่าถ้าใครมีลูกสาวก็จะ มีมีส่วนหนึ่งของมรดกที่ได้กับพี่น้องเราด้วยที่เป็นผู้ชายาให้ก่อนตายดินี่เมื่อวันก่อนเนี่ยเรื่องคนมีคนมีตังเรียกฉันไปคุยเรียกฉันไปคุ ย, ย, ก, คยก็ก็คือไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็คือว่ามีทรย์และก็ลูกก็ อ, อาจจะอยากเห็นพ่อแม่เนี่ยไม่จะอยากให้พ่อแม่ตายนะแต่ว่าก็คือ อยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าพ่อแม่มีทรัพย์และพ่อแม่เนี่ยคนใจบุญแกก็ทำบุญน่ะบางทีทำบุญฉันก็ต้องเตือนกันมากว่าบุญน่ะบางทีไปเอาจากคนอื่นมากเลยไม่เอากับลูกไอ้คนนู้นให้สองแสนไอ้คนนี้ให้สามแสนสุดเราหน้าไปสามแสนแต่ลูกนี่ยังขับแกลบอยู่ขับแกลบหากับแกบส่งของอะ่ะหลานก็ยังไม่มีค่าเทอมออย่างนี้ไหวไหมทาบุญกับข้างนอก ต้องดูแลลูกด้วยและไอ้ประเภทลูกที่หวังแต่ทรัพย์ของพ่อแม่ไม่ทํามาหากินอันนี้ก็ต้องว่าขอโทษที่ต้องดา่า <c oughs> อันนี้พอรู้ว่าย่อมมะรวยก็ไม่ทําอะไรแล้วงกูนอนอย่างเดียวเลยแต่งรถกระบะเนี่ยสองทางนะฉันว่าทั้งคู่เลยหนึ่งพ่อแม่ที่ไม่แบ่งอะไรให้ลูกบ้างอันนี้สองลูกที่ไม่ทํามาหากินรอแต่ทรัพย์ของพ่อแม่อันนี้ก็ผิดทั้งคู่ดังนั้นก็เรียกฉันไปอบรมไม่ใช่เด็กฉไม่โอบใช้ฉันไปอบรม ได้ครับใครนะพี่น้องพ่อเดียวกันกับพี่น้องพ่อแม่เดียวกันถ้าพี่น้องคนละแม่ไม่ใช่ต้องพี่น้องพี่น้องเนี่ยมีสังพี่น้องร่วมพ่อกับพี่น้องร่วมพ่อแม่มนนนนอ่าและด้านนี้มีพี่น้องไหม เอาใครตายเนี่ยฉันยังไม่รู้เอาใครตายเลยต้องมีคนตายก่อนเนี่นี่มีลูกชายมีชายลูกสาวก็แบ่งกันสองคนนั่นแหละอ๋อสามีไม่มีใครกันมรดกได้จําไว้เลยสามียังไงก็ได้เมียยังไงก็ได้ไม่มีใครกันมรดกได้เมียมีอะไยไม่มีใครกันไม่ได้จะไม่ได้ได้ไงล่ะพี่น้องสามี ตัวของสามีคนเดียวที่จะได้แต่เข้าจยกให้กับพี่น้องสามีเรื่องหนึ่งคือคนที่แต่งงานและได้มรดกเนี่ยก็คือสามีภรรยาไอ้ที่เหลือไม่ได้นะไม่ต่อยไม่ยายเราไม่เคยได้ไม่ได้ตังเราเนี่ยไม่ต้องเรียกพอตายไม่ย้ายมาแบ่งมรดกเนี่ยเราไม่ได้ตังพ่ตังพอตายไม่ยายมันถึงแค่สุดแค่ลูกมาเฉพาะข้างเราคนที่ได้มรดกจากการแต่งงานก็คือใครเพราะอะไรผัวกับเมียแค่นั้นแหละสามีภรรยาลูกติดเนี่ยยังไม่ได้เลย ลูกติดมาจากมรดกฉันได้ปะไม่ได้ไปเอามรดกพ่อแท้ๆมาหนุนจะมรดกฉันได้ไงลูกติดก็ไม่ได้เห็นไหมศา ส, สนานี่นะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวอะไรของเรื่องฉัน <c oughs> แม่อย่ายโยงสิเดี๋ยวโ ย, โ, โยงกันหมดเลยเไม่อย่าไปโยงอันนี้พูดเฉยๆว่า ม, มันมีคนมันงงไงผมก็บอกเนี่ยโอ้โหยันลูกลูกลูกแท้ๆของเรากับลูกติดมาลูกติดก็มาได้มรดกจะไปได้ไงลูกติด ลูกติดไม่ได้ได้เฉพาะลูกแท้เห็นไหมนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องสตังค์เนี่ยเอา ล, ล็อจัดการให้เรียบร้อยแล้วบางคนเขีย้กลวยนั่นมากินมอดกุยไอคนที่จะกินได้เนี่ยแสดงว่าเขามีสิทธิ์จริงๆเช่นสามีภรรยากันเนี่ยศา ส, สนาบ ม, ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครกันมอดกได้อยู่แล้วแต่พี่น้องจะ ก, กาันมาจะถูกกันมอดกจากการมีพ่อกับมีลูกชายและเหตุที่ทำไมอิสลามไม่ให้ลูกส า, กสาวได้หมดพ่อใดเพราะว่ไอคนที่เป็นพี่ชายเราซึ่งเป็นลุงอะสุดท้ายมันก็กลายเป็นอะไร เป็นคนเป็นมะรอมใหญ่ไงถ้ามันยังไม่แต่งงานนะถ้ามันแต่งงานก็มีสามีอ่เปิดหัวเรื่องมรดกเนี่ยอืแต่จะให้ก่อน ต, ตายมีปัญหาอา้าวมาดูความหมายแล้วกันนะงงหมดแล้วอา้าวกาลาละคือคนไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีลูกชายอินิมรอุนอลัลลอฮ์บอกว่า ถ้าชายคนหนึ่งตายฮาะกาลาะลไเซลหูโดยเขาไม่มีบุตรแต่มีพี่สาวและน้องสาวคนหนึ่งนางจะได้รับครึ่งหนึ่งจากมรดกของเขาทิ้งไว้งงไหมถ้าฉันตายฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งและก็มีลูกสาวลูกสาวเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งเลยของฉัน เล้ครึ่งหนึ่งอ่ะคือคนที่ได้คืออะไรไหมน้องสาวฉันหรือพี่สาวฉันแต่กินแบบอาซอบากินแบบส่วนที่เหลือไม่ได้กินส่วนคนที่กินส่วนคือลูกสาวกินครึ่งหนึ่งแต่สรุปแบ่งเท่ากันนั่นแหละน้องสาวฉันกับลูกสาวฉันได้คนละครึ่งเท่ากันแต่คนละส่วนนะไอคนนึงกินส่วนกินครึ่งกินส่วนครึ่งอีกคนหนึ่งกินส่วนที่เหลือแต่มันแบ่งครึ่งเท่ากันเนี่ยศาสนากําหนดแบบเนี้ยแต่ตอนต้นเนี่ยก็พูดถึงลูกสาวอันนี้เขาพูดถึงเรื่องน้องสาวพี่สาว อ่นะกินเละเลยคนละครึ่งคนละครึ่ง <laughs> รู้ไหมพอถึงเวลาจริงเนี่ยลูกสาวได้คบหมดเลยทำไมอะ่ะเพราะเขาแบ่งไว้ก่อนแล้วเขาให้หมดเลยไอ้น้องสาวไอ้น้องสาวพี่สาวไม่ ไ, ได้กินหรอกสุดท้ายเป็นไงลูกสาวได้หมดแหละเพราะว่าเขาแบ่งไว้ก่อนแล้วเขาให้หมดแล้วเขาใครก็อยากจะให้ลูกมากกว่าจริงจริงน้องสาวฉันก็รักนะใช่ไมน้องสาวเราก็รักพี่สาวเราก็รัก แต่ยังว่าเลยนะลูกสาวอะและจริงๆนะลูกสาวเนี่ยคนที่ดูแลมันคือใครผัวเป็นไงเขอโทษทีๆๆมันมีสา ม, มีดูแลอยู่แล้วจะไปหัวกันอะไรล่ะแต่ในบางครั้งสมมตินะน้องพี่สาวเราเนี่ยเป็นไ ม, ม้ไม่มีคนดูแลแต่ลูกสาวได้สามีรวยถามว่าใครน่าจะดูแลมากกว่าพี่สาวน้องสาวเราเนะี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันมันไม่เสมอไปหรอก บางคนบอกเฮ้ยย hey, ังไงต้องให้ลูกสาวเยอะกว่าก็ถ้าลูกสาวได้สามีรวยแต่พี่สาวดาเป็นม้อยู่ล่ะมันก็แย่ก็คนละครึ่งไงคือเราไปคิดอย่างเดียวว่าลูกมันต้องได้เยอะไม่ใช่หรอกนะอันนี้คือศาสนากำหนดแบบนี้ว่าฮุยยะริสุฮาอิลลัมยะกุลลาฮาวะลัดอัลลอ์บอกว่าแลขณะเดียวกันเขาจะได้รับมรดกของลูก นางหากนางไม่มีบุตรมรดกของลูกของนางนางไหนเนี่ยถ้าไม่พี่สาวได้รับของพี่สาวถ้านางไม่มีลูกพี่สาวตายก็แน่นอนก็ได้อีกฉันกินได้อีกถ้มมตน้องสาวมันตายก่อนและน้องมันไม่มีลูกเราก็ได้ไงของน้องสาวเราก็ได้ ถ, ถ้าน้องสาวม่มีลุกบางคนน้องสาวแต่งงานแล้วมีลูกเรียบร้อยไม่ได้ ตอนนี้ยังไม่มีผู้ชายมาเลยมีแต่ผู้หญิงก่อนเดี๋ยวมีผู้ชายมาเดี๋ยวบอกตอนนี้ยังไม่มีผู้ชายถ้ามีผู้ชายก็กินสองส่วนเดี๋ยนี่ยังไม่พูดถึงผู้ชายนี่พูดผู้ชายตายหรือผู้หญิงแต่ถ้าปรากฏว่าพี่สาวน้องสาวของเขามีอยู่สองคนอ่าฉันมีน้องสาวมีน้องสาวสองคนหรือมีพี่สาวสองคนทั้งสองคนจะได้รับสองในสามของมรดกอ่าได้เยอะกว่าเดิมอีก แต่ความจริงมันก็ไม่เยอะหรอกมันไม่ใช่คนละสองสามนะเอาสองสาสองส่วนสามเนะี่ยให้สองคนไม่ใช่สองคนคนละสองสามนะเอาสองส่วนสามให้ให้ไปสองคนไปแบ่งกันบดหัวไม่ต้องห่วงหรอกคนมีตังค์บนหัวอ้อาวต่อมาถ้าปรากฏว่าเขามีพี่น้องหลาน หลายคนทั้งชายและหญิงสำหรับชายนั้นจะได้สองส่วนแ <Okay. S 1> อบเห็นแต่สมมุติไอ้แบ่งไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้ครึ่งหนึ่งลูกสาวไปแล้วและฉันนีมีทั้งน้องชายด้วยแล้วก็มีพี่สาวด้วยเนี่ยผู้ชายจะได้สองส่วนจากครึ่งหนึ่งกลายเป็นว่าหาร ส, สามแล้วกลายผู้ชายได้สองส่วนแล้วก็ผู้หญิงได้หนึ่งส่วนถ้ามีผู้ชายเข้ามาเอาต่อมาต่อมาอถ้าประกบหมดแล้วสาหรับชายได้สองส่วนของสองได้สองเท่า เท่ากับสองส่วนของผู้หญิงงงแล้วก็จบแล้วที่อัลลอฮฺแจกแจงแก่พว้เจ้าอันเนื่องมาจากการที่พว้เจ้าหลงผิดและพู้เจ้ารอบแล้วก็อัลลอฮฺนั้นจะทรงรอบรู้คือหลงผิดหมายความว่าเราแบ่งกันเองเนี่ยมันไม่ยุติธรรมหรอกอัลลอฮฺแบ่งยุติธรรมเออเพราะว่าเราให้โดยสเสน่หาลูกเหมือนกันได้ไม่เหมือนกันเงี้ยแต่ลูกชายเนี่ยที่ได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาจะต้องไปดูแลครอบครัวครับส่วนลูกสาวเนี่ยเขามีครอบครัวเขาได้รับการดูแลจากสามี ก็เป็นสิทธิที่เขาเลือกก็เขาเลือกแบบนั้นก็ต้องตามนั้นแหละเกี่ยวอะไรกับจนเนี่ยจนก็ต้องจ่ายนะฟก็ก็จนก็ต้องจ่ายนะฟก็ถ้าจนแล้วขอคนอื่นได้เหรอใช่ไหมถ้าจนนี่หมายถึงว่าไงถ้าจนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายจนก็ต้องจ่ายแต่ว่าเราต้องปรับค่าลิงค์เขาเลยนะปรับความเป็นอยู่ลงมาอแต่เราก็ได้รับสกาดไงถ้าจนก็ได้รับะกาดได้รับสดิกาไปครั้นี้อีนิดสุดท้ายนะ เรื่องมรดกเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์ไม่ยากแต่สิ่งที่จะยากที่สุดเรื่องมรดกคืออะไรจะจบแล้วนิดนึงเรื่องที่ยากคือพวกทรัพย์ที่เป็นที่ดินเป็นบ้านเพราะที่มันไม่เท่ากันที่เท่ากันมูลค่าไม่เท่ากันอีกคนนึงอยู่ท้ายซอยอีกคนนึงอยู่ปากซอยนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องยอมกันบ้างถ้าไม่ยอมกันนะทะเลาะ ก, กันตายและมันแบ่งเป็นเงินไม่ได้มันเหมือนเงินสุดท้ายที่ต้องขายแล้วเอาเงินมาแบ่ง ดังนั้นอ ย, อ, ย อ, ยอย่าอย่าอย่าอย่ามองว่าเป็นคนอื่นนะพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันเรื่องมรดกและสุดท้ายทนายเอาไปกินหมดนะครับสุภาพนะก็รอคุณแมวบิฮามลิก้าชดวัลละอิลาฮิละฮิตาสตัฟิรุกาวาตูบิรไยอัสสลามอัลัยกุมวารามัตุลลาอวะบารากาตุ